พระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกรถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเมื่อมีธุระเรียบด่วนเช่นนี้ไม่ต้องบอกลายภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้